ถาว่าผู้ปฏิบัติเช่นกันลยานชนพระเสกขบุคคลพระอเสษขบุคคลก็มีสติปัญฐานด้วยกันทั้งนั้นสติปัญฐานของท่านเหล่านั้นจะเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันถ้าคิดตามแบบกัลยาณชนจเจริญสติปัญญาเพื่อจะรู้จริง เพราะไม่เห็นอริยสัตว์สี่ยังไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งและยังไม่ได้เจริญมรรคให้บริบูรณ์ส่วนพระเสขบุคคลกำหนดสติปัฏฐานตามความเป็นจริงคือสติสัมปาชัญญาเพื่อจะละสังโยชน์ที่ยังไม่หมดให้หมดไปสติปัฏฐานของท่านนั้นเป็นมรรคพระอเสขบุคคล ละสังโยชน์ได้ทั้ง10บสติปัทานนั้นเป็นผลเพราะฉะนั้นจึงบริบูรณ์ด้วยสติสติของท่านนั้นเป็นเองมีใจทำให้เป็นขึ้นคือฉลังคู่เบขาฉลังคู่เบขาอุเบขาการวางเฉยในอารมณ์ที่เกิดจากอายตนะทั้ง6จากตาหูจมูกลิ้นกายและใจ